เ้าต่อนี้ไปอาตมาภาพจะขอกล่าวสัมโมนิยกถาเพื่อให้เป็นเครื่องเตือนสติของพวกเราท่านทั้งหลายนะ่วันนี้ได้ขึ้นธรรมาน ต, ตามปกติกับผมเองหลวงพ่อเอง เวลาจะพู ด, ดกพด็พูดพูดไปเลยแต่ครั้งนี้จะทำเริ่มเป็นพิธีกล่าวคำนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะ <c oughs> นะโมตัสสะปะกวะตุอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวัน ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มารวมมาร่วมไปชมกันคณะสงฆ์สามอำเภอและก็คงจะมีมากกว่านั้นแต่ที่ประกาศกันก็นกคือสามอำเภออำเภอบ้านผืออำเภอน้ำโสมอำเภอนายูงมีครูบาอาจารย์มากท่านล้วนแล้วแต่เป็นจอวาดและก็พระติดตาม โดยมากจะเป็นเจ้าวาดจะมากกว่าไดมาร่วมไดนัดประชุมกันครั้งแรกก็ได้นัดไปทับเป็นเจ้าภาพที่วัดหลวงปู่เหลียนงานศพหลวงปู่เหลียนกระพร้อมกันก็ได้นัดกันมางานศพของหลวงปู่ถิ่นของพวกเราในวันนี้ก้อยพระสงฆ์ปูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่อยู่ในป่าโรงคงไพ่ การกลับการเดินทางกลับหลวงพ่อคิดว่าก็คงจะลําบากกว่าจะถึงวัดได้บางวัดก็คงจะสามสี่ห้าทุ่มนั่นแหละถึงจะถึงได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองกลับผมเองจะไม่พูดอะไรมากเป็นเครื่องเป็นการกล่าวสำโมริยกถาพอให้เป็นที่รําลึกถึงครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ถิน่น ถ้าจะว่าไปแล้วท่านเป็นมหาเถระผู้ใหญ่ในเขตจังหวัดอุดรธานีของพวกเราใครๆก็รู้บ้านเกิดบ้านเดิมของท่านท่านหลวงพ่อจำไม่ผิดนะท่านอยู่จังหวัดมุกดาหารทำไมจึงหลวงพ่อจึงรู้ประวัติของท่านก็คืออุปชาของหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่คำคำพิระยาโนโอหลวงปู่ลืออยู่ในเขตมุกดาหาร แล้วก็หลวงปู่ถิ่นท่านอยู่มุต ด, ดาหารและหลวงปู่คําเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อกระบวตกับพระอุปัชฌาย์คำคำพิรายาโนโอท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาสมัยนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็ว่าครูบาอาจารย์สมัยนั้นก็ไปมาหาสู่กันเกี่ยวเนื่องกันตลอด แต่หลวงปู่ถิ่นท่านขึ้นมาอยู่ทางจังหวัดอุดร ไ, ได้ได้ยินพระอุปชาของหลวงพ่อว่าหลวงปู่ถิ่นท่านได้ไปช่วยสร้างโบสถ์วัดป่าศิลาวิเวกจังหวัดมุกดาหารหลังทุกวันนี่แหละหลวงพ่อก็ได้ไปบวชอยู่โบสถ์หลังนั้นแหละโบสถ์ที่หลวงปู่ถิ่นของเราไปช่วยสร้างนั่นแหละคือวัดป่าศิลาวิเวกหลวงพ่อบวช ปี08บวชเป็นพระที่วัดแห่งนี้เพราะนั้นหลวงพ่อได้ยินข่าวคพิศัพท์ของท่านมาตลอดแต่มาถึงจังหวัดอุดรหลวงพ่อเองก็ได้มาอยู่ที่วัดป่าบรนตาดก็ไม่ไกลมาอยู่ปี2512จนถึง2525 25, จึงได้ขยับขยายไปอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยเป็นอนว่าอยู่ในจังหวัดอุดร เป็นเวลาสาสบกาปีก็ได้ยินกิตติศัพท์ไปมาหาสู่หลวงปู่ถิ่นอยู่แต่นานๆนได้พบได้เจอท่านเพราะเราพวกเราก็อยู่ป่านดวงคงไปนานๆจะได้เข้ามาพบมาเจอมากราบครูบาอาจารย์แต่ละครั้งวันนี้เมื่อท่านมราณาภาพร่วมก่อนที่ท่านป่วย ท่านไปป่วยอยู่ที่ศรีนครินหลวงพ่อก็ได้ไปกราบท่านสองครั้งถ้าจําไม่ผิดนะพอไปเห็นครั้งแรกท่านก็ป่วยยังไม่นานพอไปเห็นครั้งหลังสุดรู้สึกว่าท่านเพียบมากเห็นท่านแล้วจากนั้นมาไม่นานก็ได้มางานศพที่วัดโพธิสมพรก็วันนั้นก่อนก็ท่านบรณาภาพาเปเคลื่อนศพมา ที่วัดของเราแห่งนี้หลวงพ่อเองก็ได้มารดน้ำศพของท่านในวันนั้นจากวันนั้นมาเพยังไม่ได้มาคณะสงฆ์ก็ได้มาพบมาเจอกันก็นัดหมายที่จะมาเป็นเจ้าภาพสวดธรรมอําเภอบ้านผืนบ้านผือน้ำโสมนายูงอย่างที่กล่าวเบื้องตน้นหลวงพ่อเองก็เลยถือโอกาสจังหวะวันนี้ได้มากราบคุบายจารได้มาทาบุญร่วมกัน มาวันนี้ก็ก็ขออยากจะอยากจะกล่าวตักเตือนพวกเราท่านทั้งหลายชีวิตของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้อต้นว่ามรณงเมภาวิสติความหมายก็คือพวกเราจะต้องตายไม่มีใครหลีกลี่ยงหนีพ้นไปได้เพราะนั้นให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าเราจะต้องตาย วันหนึ่งในอนาคต เ, เป็นคำนิยามว่าต่อต่อต่อนให้จำเอาไว้ ต, อ ต, อ ต, อตอ่ต อ, ต, อ, ต, อ, ต, อต่อต่อเตรียมตัวตายต่อต่อต่อเตรียมตัวตายถึงถ้าว่าไม่เตรียมตัวตายมันก็ตายถ้าว่าเตรียมตัวไว้จะดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวได้ถามพาระอนุ์ว่า อาโนนท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอาโนนตอบกล่าวทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าวันประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่ายังประมาทอยู่ควรจะระลึกถึงความตายของตอนเองทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่กลับเข้ามาก็ตายเพราะฉนั้นพร้อมที่จะตายโดยทุกเวล่ำเวลา เพราะนั้นควรจะระลึกถึงความตายของต น, ตนเองทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านเตือนพุทธบริษัทของพระองค์ทําไมพระพุทธองค์จึงเตือนให้ระลึกถึงความตายเพราะว่าความตายใครๆก็นึกถึงขึ้นมาแล้วจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจไม่ผปรงใสจิตใจหวาดผวาเพราะความตายแต่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตาย แต่ตามไม่จริงการระลึกถึงความตายนั้นถึงจะระลึกหรือไม่ระลึกก็ตายอย่างที่ได้กล่าวไว้เบืนน้องต้นแต่ว่าร ะ, ะลึกไว้ดีกว่าคือเป็นการเตรียมตัวเหมือนกับทหารที่เข้าไปสู่ศึกสงครามถ้ า, าว่าไม่เตรียมพร้อมฆ่าศึกศัตรูเข้ามาแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะมีฆ่าศึกเวลาไปสู้กับเขาเราต้องแพ้เขาร้อยทางร้อย แต่ถ้าว่าเราได้เตรียมพร้อมไวฝึกไว้อยู่เสมอในเมื่อศึกสงครามเข้ามาเราก็พร้อมที่จะสู้ศึกส ง, สงครามนั้นโดยที่ว่าไม่เกรงกลัวออไม่เขาก็เราไม่เราก็เข า, เ อ, าอันนี้ก็เหมือนกันการระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนที่ระลึกถึงความตายจะทําสิ่งใดก็ได้คิดไว้แล้วเออชีวิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน จะรักจะโลภจะโกรธจะหลงสิ่งใดก็ตามมันก็มีมีพอประมาณแต่ถ้าหาหว่าคนไม่ระลึกถึงความตายถ้าจะโลภก็โลภโลภมากจะไม่คิดว่าตัวเองจะตายถ้าจะกโกรธให้ใครก็โกรธมากจนไม่คิดว่าตัวเองจะตายถ้าหลงอะไรก็ตามหลงรักหลงใครก็ตามจะหลงอย่างมากคิดว่าตัวเองจะไม่ตายแต่ถ้ า, าว่ า, าระลึกถึงความตายด้วยอยู่เสมอถ้ารักถ้าโลภขึ้นมา เราจะโลภไปอะไรมากมายนักหนาขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วถ้าหากว่าตายไปก็ไม่เห็นใครเอาไปด้วยได้ก็ทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดกระดูกตัวเองก็ยังเอาเอาไปด้วยไม่ได้จะไปโลภอะไรมากมายนักหนาอันนี้คล้ายๆว่าเป็นเครื่องเตือนใจจะโกรธให้ใครก็เหมือนกันเราจะไปโกรธอะไรให้เขาพ่อเขาก็ต่างคนต่างมาเราก็มาเกิดเขาเราก็มาเกิด แล้วจากนั้นไปเราก็ไม่รู้จะอยู่นานจากเท่าไหร่ต่างคนต่างไปของใคร ข, ของเราทำไมเราจะไปโกรธให้เขาเพราะนั้นถ้าว่าคนระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะมีเปลทในจิตในใจจะทำสิ่งไหนจะมีความคิดความพอดีในจิตในใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอเพราะว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านเนี่ย มาเกิดในโลกเนี่ยไ ม, ไม่ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้จะต้องถึงจุดจบวันหนึ่งแน่นอนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าพวกเราทุกวันนี้รอวีซ่ากันอยู่ต่างคนพอเกิดขึ้นมาก็รอวีซ่ากันถ้าวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่เมื่อนั้นพวกเราจะต้องเดินทางนี่หลวงปู่ของเราเนี่ยท่านได้รับวีซ่าแล้วเนี่ยท่านไปแล้ว อีกสักวันหนึ่งพวกเรากส็ส่งท่านขึ้นเครื่องบินแล้วส่งข้าเมนส่งข้าเตาจากนั้นท่านก็ไป <Yeah. S 1> เมื่อท่านไปไปแล้วถ้าหาว่าท่านได้เตรียมพร้อมของท่านไว้แล้วท่าน เ, เป็นพระอรหันต์ท่านก็ไปแบบไม่มาเกิดอีกแต่ถ้าหาว่าที่ต่ํำลงมั่นกว่านั้นลงมาเป็นพระอนาคามีท่านก็ไปอยู่ในพรมสุดทาวาทห้าชั้น <Yeah. S 1> วิหาอัตตาสุทศาสุทสีากนิฐาถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันกอ็อยู่ในพรหมริสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งพระสักคาถามีและพระโสดาบันพระสักคาคามีก็มาเกิดอีกครั้งหนึ่งส่วนพระโสดาบันจะมาเกิดอีกหนึ่งชาติสมชาติเจชาติคือพระโสดาบันในพระโสดาบันเกรด A เกิดชาติเดียวเกรดมเกรดบเกิด3มชาติ เกิดี่เกิดเจชาติแต่ไม่เกินกว่านั้นอันนี้คือพระโสดาบันเพราะนั้นถ้าหากว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านอยู่ในภพภูมิใดเราไม่สามารถที่จะอย่างรู้อย่างเห็นในภพภูมิของท่านบุญบารมีของท่านได้แต่เอาเถอะพวกเราท่านทางหลายเมื่อวีซ่ามาถึงแล้วพวกเรามีทุนไม่รับพอที่จะเดินทางไปสู่ต่าง ประเทศได้อย่างสุขสมบูรณ์ไหมพวกเราได้เตรียมตัวพร้อมหรือยังทรัพย์สมบัติของเรามีพร้อมหรือยังทรัพย์สมบัติที่กล่าวนี้คือบุญกุศลถ้าว่าพวกเรายังไม่มีบุญกุศลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพอตายไปแล้วเหมือนกับคนไม่ได้เตรียมตัวเดินทางต่างประเทศตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาแล้วไปีแต่ทาความชั่วเสียหายหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้สนใจ สร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวเองมีแต่มัวเมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้ส่องแสวงหาอาหารทางด้านจิตใจมีแต่ส่อแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพเป็นวันๆส่วนบุญกุศลนั้นไม่ได้สนใจ <Okay. S 1> แล้วเมื่อพวกเราจากโลกนี้ไปมันไม่สูญออพูดอย่างนั้นได้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ขอยกเล่าเพราะพระพุทธเจ้าพาพิสูตนมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านครองราชถึงยี่สิบเก้าปีจากนั้นพระองค์ก็หนีออกไปบวดไปบําเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีลองติดลองถูกบําเพ็ญอยู่นั้นถึงหกปีจนถึงวันเดือนหกเนพนพระพุทธองค์นั่งอยู่โคลนต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก จิตของพระองค์เข mm. ้าส <ock> ู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเมื่อเกิดญาณทัศนะพระพุทธองค์ระลึกชาติผลหลังได้โุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้แต่ถ้าว่าตายแล้วศูญจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงเกิดมาชาติเดียวก็ตายไปก็จบอันนี้พระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้ชัดเป็นหลายๆชาติร้อยพันพหมื่นแสนชาติไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวแล้วกระดั ละอนาคตก็มีอีกอในพระพุทธเจ้าพอถึงเที่ยงคืนพระพุทธองค์เข้าสู่ความสงบละเอียดเข้าไปอีกได้สําเร็จตุปะปะปะตูปปาตยานการตุติของสัตว์คือวิญญาณเกิดมาจากทีม่มาเกิดมาจากไหนออกจากที่นี้จะไปที่ไหนเอออันนี้พระพุทธเจ้าก็รู้อีกตุตูปะ ป, ะ ป, ะปะตาตยาน พอจอนจะสว่างพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุป อ, อาสาวขยคายายนยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะอีกแล้วเป็นไม่มาเกิดในโลกอีกแล้วจะว่าอาสาวขคคายายันยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดจดจากกิเลสพระพุทธองค์พิจารณา ติจจัสมุบาตอาวิชาปัจจญาสร้างข้าราสร้างขาราปัจจญาวิญญาณังจนถึงโสกะปริเทวทุกโทมณสุมรัสซอุปายาสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดมาเพราะความโง่เขลาถ้าหากว่าชำละใจกิเลสราคะโทสะโมหะออกแล้วหมดกิเลสแล้วไม่มาเกิดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะอย่านั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่ สรุปแล้วคือพูดให้ฟังอย่างชัดๆว่าพวกเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่ปา่าดงพงภัยที่พวกเรารักเคารพนับถือที่เราเชิดชูบูชาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวตลอดถึงองค์หลวงตามหาบัวอย่างพวกเรานับถืออย่างทุกวันนี้ไปถามท่านดูสิว่าหลวงตาคนแล้วตายแล้วสูญไหมท่านจะยืนยันแน่นอน สำหรับหลวงพ่อเองก็เถอดนะหลวงพ่อเนี่เชื่อถ้าว่าพันเกับยืนยนันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเปอร์เซนต์นั่นนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ให้เกิดนั่นคืออะไรคือใจส่วนตายนั่นคืออะไรคือร่างกายธาตุสีติ่ม น, น้ําลมไฟตายแตกแน่นอนไม่ต้องสงสัยพวกคนต้องแตกแต่ส่วนกิจใจน้ำมธรรมนั้นไม่ตายน้ำมธรรมนั่นคืออะไรถ้าหาว่า เราอยากจะรู้ว่านามธรรมนามธรรมนั้นคืออะไรก็ให้พิสูจน์อย่างที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจ์พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์จะไงท่านนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพลกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายแใงออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นหายใจออกยาวให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเมื่อมีลมมีสติกับลมหายใจแล้วจิตไม่คิดไปในอดีต จิตไม่คิดไปในอนาคตจิตอยู่ในปัจจุบันใจอยู่ในปัจจุบันมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตมีความรู้สึกในปัจจุบันจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วจิตสู่เข้าสู่ฐานอัปปนาสมาธิเมื่อเข้าจิตถึงเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายนี้เป็นอันหนึง่งใจนี้เป็นอันหนึ่งมันเหมือนกับ มม่วงอยู่ในจานอย่างนั้นอ่ะมะม่วงไม่ใช่จานจานไม่ใช่มะม่วงมันคนละอันกันแต่อาศัยกันอยู่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นรถไม่ใช่คนขับรถคนขับรถไม่ใช่รถแต่ร่างกายกับใจใจไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจ แต่ร่างกายนี้แตกแน่นอนแต่ส่วนใจนั้นคนขับรถนั้นเมื่อรถพังไปแล้วไปหาไปหารถคันใหม่ถ้าหากว่าคนขับรถคนนั้นมีปัญญามีทรัพย์สมบัติเขาก็ไปซื้อรถคันใหม่ได้ดีกว่ารถในคันปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้สนใจ เขาใช้รถคันนั้นก็ใช้เป็นวันๆไม่ได้สอดแสวงหาทรัพย์อะไรมาเพิ่มเติมแต่ละวันมีแต่กินเหล้าเมายาสุรานารีาพาชีกิฬาบัตรําแต่ความชั่วเสียหายไม่ได้สนใจเรื่องจะหาเงินหาทองแต่เมื่อรถคันานั้นพังไปแล้วเขาไม่มีปัญญาที่จะซื้อรถให้ดีกว่าในปัจจุบันผลในสุดก็ตกต่ําเพอเพออาจจะไม่มีรถขี่สุดเลยจำไปอาจจะเป็นรถจั ก, กรยานอันใ ลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าคนมีบุญเมืม่อออกจากร่างนี้แล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดเป็นลูกของใครตระกูลไหนเราเลือกเอาได้ไปเกิดเอาได้ถ้าว่าเราจะไปเกิดเป็นเทวบุเทวดุเ ท, ว, เทวดาอินพรหมเราก็ไปเกิดได้ถ้าว่าเราชําระกิเลสเป็นพระโสดาสกทาคาพระอนาคาเป็นพระรหันต์ก็ไปตามบุญวาสนาบา ร, รมีของ ของเราที่ได้บำเพ็ญเอาไว้เรียกว่าบุญเต็มเปี่ยมเข้ามาเกือ้อกูลหนุนจิตใจของดวงนั้นสรุปแล้วคือคือใจของเราเนี่ยเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปบาปก็ไหลเข้าสู่ใจบุญก็ไหลเข้าสู่ใจใจเป็นผู้รับบุญและรับบาปส่วนร่างกายนี่เป็นวิบากเป็นวิบากของบาปกรรมทั้งหลายถ้าเราได้ใจของเราได้สั่งให้ไปทำํำสรุปแล้วก็คือ ใจเป็นนายกายเป็นเบาใจเป็นนายสั่งให้กายพูดออกไปสั่งให้ใจให้ากายนี่ทำออกไปใจสั่งให้ใจพูดว่าจาจาพูดออกไปแต่มันล้วนแล้วแต่ใจทั้งหมดเพราะนั้นเจ้านายเป็นคนสั่งวาจาเป็นพู้บอกพู้ผิดก็เสียหายอย่างไปดา่าครูบาอาจารย์ด่าพระสงฆ์ด่าผู้มีพระคุณด่าพ่อด่าแม่เนี่ยเออ ใครเป็นคนรับใจเป็นคนรับถ้าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาร่างกายไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ใจเป็นคนรับเพราะนั้นท่านจะว่าใจเป็นรลังของบาปเป็นผู้รับบาปและเป็นผู้รับบุญเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตทูใจอย่างประมาทชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนรอวีซ่าอยู่อย่างที่ได้พูดไว้นั่นแหละอีกสักวันหนึ่งวีซ่ามาถึงพวกเราจะต้องเดินทาง แต่ก่อนที่จะเดินทางนั้นพวกเราได้เตรียมตัวเตรีมที่ได้ยังเงินในกระเป๋าของเรามีได้ยังบุญกุศลที่จะทำให้พวกเราอุ่นอกอุ่นใจมีมากน้อยแค่ไหนพอได้ยังถ้าไม่ยอถ้าไม่พอถ้ายังไม่มีก็พยายามเตรียมพร้อมการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่ามีตะทานอย่างเดียวรักษาศีลก็ใช่นั่งภาวนาสมาธินั่งภาวนาก็ใช่เออเคารพพ่อแม่ก็ใช่ เลี้ยงดูบิดามารดาใช่ช่วยช่วยสาธารณประโยชน์อย่างมาทําบุญในวันนี้ค่นี่แหละเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเหมือนกัน เ, เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้บําเพ็ญสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พร้อมกันก็ก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ไหวพระสวดมนต์ซะก่อนแล้วก็นั่งทําใจให้สบายสบายทำจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่ง การภาวนานะไม่ใช่ของคนอื่นคนใดนะเป็นของพวกเราทุกๆท่านเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องกระทาเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องปฏิบัติคือทําใจให้สงบเนี่ยเวลามันจะเป็นผลสืบเนื่องไปนานเท่านานเมื่อเมื่อเราเท่าแก่ชรลาเมื่อเราฝึกหัดทางจิตตภาวนาแล้วอย่างลงปู่ลงตาที่พวกเราเห็น S <S <an> เห็นไ้ยอย่างวงปูเทศหลวงปู่ขาหลวงปู่ต่างๆงหลวงตามหาบัวอย่างเนี้ยอายุตัง90สกว่าปีขั้นยังมีจิตใจเข้มแข็งมีกำลังมีพลังใจอย่างเข้มแข็งเออไม่ย่อท่อมไม่อ่อนอเออแต่แตก ต, ต่างกว่าหลายหลายคนสำหรับผู้ไม่เคยฝึกทางจิตใจเห็นเพราะนั้นพวกเราให้ฝึกเอาไว้การภาวนาพุทโธหรืรอว่าการภาวนาเนี่ยการเป็นการ สร้างหลักให้แก่กจิตใจถ้าพวกเรามีจิตใจเป็นมีหลักในจิตใจแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเท่าแก่ชร า, าลูกเต่าลากหลานไปทำการทำงานปล่อยให้เราอยู่ตามลำพังเราก็จะไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างเราเข้าภาวนาพุทธโธเดินจงกรมบั้งนั่งภาวนาบั้งกาหนดพุทธโธพุทธโธไม่ต้องคิดปุงฟุ้งไปทางอื่น ถ้าหาว่าทางว่าเราไม่เคยฝึกภาวนาเสียเลยเนี่ยออพอเท่าแก่ชรามาลูกหลานไปทําการทํางานในต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาเราคิดถึงลูกถึงหลานไหมถึงลูกถึงหลานจิตใจก็ว้าวเวอ้างว้างเงียบเหงาผลี่สุดโรคซึมเศร้าก็จะตามมาหาพวกเราแล้วทีนี่เพราะเหตุอะไรเราพวกเราเคยเห็นไหมคนแก่ที่มีโรคซึมเศร้า เออพอลูกรลานนี้หมดแล้วก็ลูกซึมลูกซึมชอบลูกซึมเศร้าเออไม่อยากจะพูดไม่ละา อ, อ้ข้าว่าง่อยฮะถ้าว่าคนมีธรรมในใจถ้าว่าเลยเราฝึกทางด้านจิตใจแล้วไปสู่จะไปก็ไปเถอะเออข้าจะอยู่ตามลําพังข้าจะภาวนาข้าจะบําเพ็ญกุศลเข้าสู่จิตใจข้ามาเกิดก็เป็นเรื่องของข้าข้ามาเกิดเป็นกรรมของข้า เ, เมื่อข้าทำบุญก็เป็นบุญของข้าสูเจ้าก็เป็นเรื่องของสูเจ้าไปแต่ต่างคงก็ต่างมาเกิดต่างคงก็ต่างตายไปไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าไปได้ทุกคนตายด้วยกันทั้งหมด อ, อถึงจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นมีลาบยศสนะเสริญสูงส่งขนาดไหนก็เถอะไม่พ้นความตายไปได้เพราะฉะนั้นในพวกเราให้ฝึกซ้อมอไว้นะ เอออีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเข้าสนามรอบจุดนั้นแน่นอนมรณงเมภาวิสติตัวนี้จะต้องมาถึงพวกเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งในอนาคตนี่แหละเพราะฉนั้นพวกเราให้นับนับดูก็แล้วกันอายุของพวกเราเท่าไหร่แล้วจะอยู่ไปอีกเท่าไหร่นะจะอยู่ไปนานอีกเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวไว้ ข้อสำคัญคือว่าเงินในกระเป๋าของเราที่ทจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้านั้นเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังนี่อันนี้ก็คือเป็นคําถามสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายถั้งว่าพวกเรามีเงินในกระเป๋าแล้วจะไปที่ไหนก็ไปเถอ ะ, อะเวลาตายไปแล้วก็นั่นแนห ะ, ะเราจะต้องไปเกิดพบภูมิที่สูงขึ้นด้วยบุญบรารมีของพวกเราน ะ, ะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรเป็นสิริมงคล เอาละพรนะท่านอินะ